เออครับ uh huh. uh huh. ใครมารับถึงแปดมาราตนาถึงแปดอันนี้วันพระมายางพันเตทิสารนเนาสา อา i ัศิลานียะจามะดูดียมพิมาอย่างพันเตลิสระเนนัสสะหะอาตัศิลานียะจามะตัดดียมพิมย่งพันเตลิสระเนนสหลานยจามะ รับเศษพูดรับแล้วรับอีกก็ไม่เป็นไรถึงวันพระถ้าไม่รับเดี๋ยวกับพร ะ, ะก็จะหลงจะลืมเลืมให้เศษลืมม่วนเศษนั่นได้ถ้าไม่ได้ว่าบ่อยบ่อยม่วนเศษหนูจะว่าม่วนเศษสุดท้ายที่เลยนี้ปุติยันติที่เลยนี้ปู้ติยันติานตนตหามันลงมาได้เอาจังหวัด ของกินว่ากินมันเน่าของเก่าว่าเรามันเริ่มแล้วก็ถามกันวันนี้วันอะไรก็ว่าอีกตัวน่ะน่าจะจำมาไวา้โอ้ยบรานประดีวว่าอย่าเจีายเจออะไรมือปับป๊บๆๆๆมือเดยโ้ยกดหนาน้ำโทรศัพท์ถามวันนี้วนันไหนงงจัดต่ำ โมตปะกวาตอระตสัมมาสัมบูตตาโมตปะกวาตอระตสัมมาสัมบูตตาโมตตาปะกวาตอระตสัมมาสัมบูตตา พุทธังสรัามมัสานังกัจฉามิธรรมสารนังกัจฉามิสังคังสารนังกัจฉามิสังคังสารนังกัจฉามิดุิยัมปพุทธังสารนังกัจฉามิดุยัมปทธังสารนังฉาม e ดุติยมังสารนังกัจฉามิ ดูที่ยมพิทามังสารนังกชามิดูท a ่ยมพิสังขังเทเรนังกชามิดูที่ยมพิสังขังสารนังกชามิสาิยมพิบุธังเรนังกชามิสาธิยมพิบุธังสรังามิิยมธมรนังามิธิยมธมสรังามิ สังขังเระังกจามิแต่ทยังไสังังเระังจามิเทระนักขมันังเทังปะมะันเดปะนาติปะตเวระมเนทะกะปังสัมาทิยามิปะนาติปะตเวระมณีิษะะทังสมาทิยามิ ดินาดาณะเวรามณสิกขาปังสมาทิยามิอะกินาดาณะเวรามณีสิกขาปังสมาทิยามิอะรัมมะจาริจาเวรามณีสิกขาปังสมาทิยามิอะกามาจริยาเวรามณีสิกขาปังสมมาทิยามิสัมมา เวรมนีสกขาปดังสมาธิญาเมมุสาวาเวรมนีสิกาปดังสมาธิญามสุรามระยมัจจาปมาจตานาเวรมสกาปดังสมาธิาเมสุรามระยมัจจาปมาจานา เวรมนีศิษขาพเจ้สมะที่ยามีเมกขาละโขชนะเวรมเนศิษยขาพเสมาริยามกาละโขชนเวรมนีศิษขาพเจสมะทียามีฉันยิ่งตัวนิทาวิรกระับสาหมาลากันทวิเดปนัารมัวินานา เวรมณีสิกขาปังสมาติยามีนาจายิตาวาจิตาวิสุขัสสนามลาคันทาวิเลปปานัการนัมันดานวิปุสันทานาเวรมนีสิกขาปังตามา จะสยนามหาสยนาเวรมะนีศิขะปดังสัมาทิยามิขุจาสยนาแมหาเสยนาเวรมะีศิขะปดังสัมาทิยามิอิมังอิมังอัฏฐาคะ อัตถังคะสมณะคตังสมณคตังพุทธปัญญตังพุทธปัญญตังาทังภูษาทังนิมันจะรติงนิมันจาดีวงารังสัมมาเทวะสัมมาเทวะทัิรกิตุงัิรกิตุงสมาทิยามิสมาทิยามิข้อข้าพเจ้าข้อข้าพเจ้าอสมาทานขอสมาน เอาองอาทะเสิอันประกอบไปด้วยองแปดประการ์รารที่สมทานไว้ดีแล้ ว, ว, ลวเพื่อจะรักษาไว้วไม่ให้ขา ด, ไ ม, ขาดไม่ให้ทำลาย ทินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอขอบุญกุศลส่วนนี้สนสนต้องเป็นปัจจยัยให้พวกข้าพระเจ้าในลูกแก้งเห็ไงไงนมรรคผ ล, ผลเห็นสวรรค์เห็ น, น, นพรนิพาน ในปัจจุบันในชาตินี้เธอมานอัฏฐสิกาปดาในอัจจันนฐฐงลติมจิวังโอุโปโสทัสส่ละวะเสนาสาทุกังกตวาปมาเดนารกิตตบานิสิเลสุกติงยงันติสิเลโปกสัมปดาสิเลนนิพุติยงยันติตัตมะสิลังเว โ, โทสทะย์<า> ทานเอาน้ำพโฉนนาอาหารศีลรักษากายวาจาใจรู้จับหมายกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้ส ง, งบให้โล่งแ จ, จ้งียกว่าศีลกายไม่ไปฆ่าวาจาไม่ไปโกหกใจไม่ให้คิดปุ่งซ่านรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยรู้จับหมาย ถ้ใจพุ่งซ่านมันเป็นบาป ใ, ใจสงบทำไง ใ, ใจจึงสงบเข้าสมาธิไม่มีการงานอะไรสมาทานศีลแล้วก็เข้าสมาธิยกเป้นเฉพาะเราจะจุคิดเองปุงเองมาทินไปคุมเองตนเตือน ต, อ น, ต, อ น, ตอนไม่ได้ใครเล่าจะเตือน ก็ไป <c oughs> เตือนตอนเองสิว่าสมาทานศีลแล้วก็เข้าศีลสมาทานศีลเข้าสมาธิไม่ไ ป, ปุงแต่งให้ใจวุ่นวายพระเจ้าจึงว่าวันศีลวันพระวันศีลวันพระบนบลมบลมโบราณถึงวันศีลวันพระหยุดแรงงานหยุดทําการทํางานทั้งตนเองและศัตรูาราสิงศัตรูาราสิงมีโคมีกระบือ้อหรือวัวควายบนลมโบราณไปในไปไทยได้ ไถไรไถนาพักแรงเขาไม่ใช่เขาใส่ล่อใส่เกียนไปวัวก็ดีโคก็ดีนะยุดไม่ไปไหนผูกไว้ให้เขากินหญ้าถ้าไม่ได้ผูกไว้ก็เกี่ยวหญ้าให้เขากินยุดทำบาปเราก็ได้มีเวลาทำ เดือนหนึ่งมีวันพระอยู่สี่วันทำไมจะทำไม่ได้มีแต่คนสมัยใหม่ทุกวันเนี่ยขี้เกียจการงานไม่ทำสักอย่างขี้เกีย <c> จ <oughs> เอาบาตร้ำบาตรตักเอาหอมอาหารโอจักเก็ดจักทํา น, นี่แต่ได้หลวงหามาให้เพราะว่า เนี yeah, yeah, yeah, yeah. ่ย like like like ุงากนุ่ยงูยืนนั่นคนเราชอบยุ่งดูยุ่งดูไปยุ่งก็เราชอบเองเราพูดเองคนเราชอบยุ่งเรื่องยุงยุ่งชอบทำเรื่องสบายเห็นไหมล่ะพานั่งกินทำบุญนั่นแหละไปวัดทำบุญนั่งตลอดวันจะเป็นยังไงมีความสุขตลอดวัน อะไรทำแล้วมันก็ไม่ขี้เกียจเห็นความสุขเหนบุญเราใครก็อยากทําบุญทําบุญอย่างเเอาของไปถวายพระเพราะว่าไปทําบุญไม่เข้าใจเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะไม่ทําบุญนั่นแหละเลยไม่มีสมาธิเลยไม่มีปัญญา <c oughs> มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาปัญญานะคือความรอบรู้ผิดถูกดีชั่ว ดูที่ปัญญาโอลลมโบราณหรือเวลาคนลมโบราณคนโลมโบราณทำบุญหาพ่อหาแม่พี่น้องผู้ล่มหายตายจากไปนิ่มันพระเจ้าประสงค์ไปแสดงธรรมเทศ3ามธรรมาตหรือเท่าไรธรรมตก็ถามกันก็แล้วแต่แตถาว่านไหนสองธรรมะบ้างสามธรรมาตบ้างพระก็จะไปถามนั่น <c oughs> ปัญญากับทับสมบัติจะเอาอะไรทับสมบัติออกกองเลยคอยต้องการทับสมบัติทับสมบัตินี่ผลคือท้ายทับสมบัติไม่ถูกต้องยังไงถูกต้องปัญญาให้เอปัญญาทับสมบัติหาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญา เหนแต่ทัพย์สมบัติง่ายง่ายคนทุกวันเอาเอ า, เอารัพสมบัติทรัพย์สมบัติอยกล่ำอยากรวยจยากล่ำอจากรว ย, ยไปมีศีลธรรมก็ไม่รวยแล้ว <c oughs> ไ, ปไปโคดไปกองจะปราบโกงแต่ไปโคดไปกองกัน <c oughs> เริ่มโกงก็มาจะไปให้บริสุทธิ์ได้ยังไง <c oughs> นักนักปาคนทำหัวใจเป็นนักหัวใจว่าเมื่อถือศาสตรปากถือศีล คำพูดก็ว่าถือศีลถือศีลเดี๋ น, นี้ยังแบบสากระ บ, บียตีหัวแตกมัเ <c oughs> หอี่ยัวปาก็แตกมดเรสานั่นน่ะมือถือสาปล า, า, า, า, าถือเขามเ่าาถือศีลถือศีลจะไปไปขาเขานั่นปาาเป็นทับหัวใจเป็นยัดต้องคิดตัวไหนก็คิดทับไปเรื <c oughs> ่อเป็นปุ้พวพวว่า <c oughs> สมุนไวยพระก็าไปได้เช่หรัป้าอิเมนาเขาไปได้บ้านที่ฐานลูกผมผิดหลวงปู่สว่งหลวงปู่สวงก็เคยรู้จักเคยไปทวดวงด้วยกันหลวงปู่สวงหลวงปู่ควงมีลูกอยู่ในบ้านโอ้ยหลานบุญหลายทั้งพ่บุญหน่อยทั้งเห็นเลยรปเจ้าคุสมุทรปราชย์ได้ไปสวดมนต์ไว้พระได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟัง แต่๋ยวมวนไปจากใส่บาทเลยบอกว่าเข้าบ้านก่อนเทวดาอยู่บ้านก็อยากกินเสียงพระให้สิ่งให้พร น, นะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวก็หาว่าพระไม่ให้พรมาเอาแล้วก็ไปเลยก็บ่าไปยืนให้พรมันก็ไม่ได้ <c oughs> มันไม่สุภาพมันไม่เรียบร้อยโยมนั่งพระยืนอ่นะจิตภาควิจารณ์กันอยู่ให้พรก็ไม่ให้พร อะไรได้บุญยืนให้พรเดินให้พรได้หรือเปล่าพนะ <c oughs> อกมาหามตาก็ษอบได้ให้ตรงไหนก็ได้หมดนั่นแหละว <c oughs> ในปา่าในหลงก็มไม่กูว่าอาจารย์ไม่ทำาเป็นอะไรมารยาทที่ไม่ดีไม่งามเขานั่งอยู่พระไปยืนก็นะมไม่เรียบร้อยนี บทบาทคาถาของพระพุทธเจ้าจําใช้ควมเขารบคำหนึ่งสองคำบทบาทคาถาของพระเจ้าแม่ตัวหนังสือตำราตำราคนโ บ, บราานไปเหยียบไปล้านปรได้เป็นชิกาอนนี้โตขอ ม, มาตกรมิตหนังสือไปล้านนี่อ่านบรไดกับทองรําปากเอาตัวตัวเล็กแน่นหน่อยไปเลี้ยนน้าผู้บาอาจารย์ปูหลวงพ่อกเตี้ยมกับปากก็ตัวนี้เห็นจําได้บัรุเ ม, มื่อนี่หนังสือหลายพด เ่าจากทองเอาด้บบเอาต้นหนังสือเอาหนังสือก็อรอกะแหนังสือเอาตาแม่ตาแม่อาศัยตาแม่อ น, นกเราก็บิ น, น, ห, นห น, าหา น, น, น, นหีจากไปกินหนังบันปีแข็งเรหากินพบเป็นก็บินหนีจากไปเอาตายอยู่หันได้เจ้าพวกอยกินหากินพบเป็น น, นั่นแหละสาสนาลัทธิเขายังรู้จักพึ่งพระอาศัยตนเองปีแข็งมาเถอะนี่คนเล่าดีกว่า ใพอ่อใช้แม่แต่พอ่อใช้แม่เถ้าแก่เป็น <c oughs> ไรเฮ้ยไว้รู้จักคำอะไรกันหนึ่งเป็นงานไม่มีปัญญาแต่พยายามนี่หนักภาคปฏิบัติภาคทำบุญให้เยอะๆค <c oughs> ำทานนั่นไงทานศีลบุญพยายามรักษาให้บริบุญโดยเฉพาะเราไม่ได้ตลอดแต่ก็เัีนี้กล่ว่าจิตไม่สงบถ้าไม่มีศีลบริสุทธิ์ศีล มันก็บังคับไปในตัวล <c> ะ <oughs> ทึ้งไม่ได้สามอย่างพระเจ้าทรงบัญญัติแต่ละอย่างศีลสมาธิปัญญาที่ทญาติโยไมไม่ได้เสมอศีล ส, สมาธิปัญญาก็ทานศีลปัญญาทานศีลภาวนาทึ้งไม่ได้เพราะหน้าที่ของฆราวาสญาติโยมเรียกว่าฆราวาสของเรือน ระวาผู้ยุ่งผู้เจ้าควรจะให้ทําอะไรควรให้ทานควรให้รักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาหรือทําสมาธิทานศีลสมาธิทานศีลภาวนาทานศีลปัญญาแล้ ว, วสุดท้ายเนี่ยแปลได้หลายอยา่างสงบปัญญาดูสวรรค์ภาวนาก็ว่าไปนะแต่ก็หมายคือถ้ามันเป็นสมาธิมันก็ภาวนาไปในตัวเพราะ วามรอรู้มันเกิดปัญญามันจะไปคิดหาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกใจจะไปรู้ว่าถูกต้องเป็นยังไงถูกใจเป็นยังไงนี่เรารู้จักไหมถูกต้องเป็นยังไงถูกใจเป็นยังไงแค่ <c oughs> นั้นเองเข้าใจให้เน่นนักภาคปฏิบัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัตินี่ก็หมดไปมากแล้วนะอีกาเมื่อนางก็จะหมดปัญหาอีกไปแล้ว เน้หนหภาคปฏิบัติชดเชยเอาไว้เวลาออกพรรษามันยุ่งชดเชยเไว้เวลาในพรรษาเร่งทำเร่งทำพระเจ้าประสงค์ไม่ออกไปฉันก็เพราะอยากให้นั่งสมาธิภาวนาติดต่อกันถ้าไปไม่นั่งภาวนามันก็ผิดทําอีกอตจิลมทัทานุโยโคลเนี่ยทรมานตนให้ลําบากเนี่ยทรมานเพื่อจะซักฟอกกิเลส ขนาดก็ได้แต่ทรามานเพื่อให้ร่างกายลําบากลําบนไม่รักษาเอาไว้ต้นไม้ผลมะหมากหลักไม้ต้นนี้เลี้ยงชีวิตไร่นาไล่นี่สําหรับเป็นข้าวขู่ข้า ว, าวเลี้ยงชีวิตนเอาน้ําไปใส่ป่อยให้มันตา ย, ยอยู่หันตีไรกินหนังเหรอเหมือนกันละ่ะต้นไม้เมื่อเราโบโหดเอาไว้มันก็ตายก็ไม่ได้กินหนังสังขารร่างกายยังไม่ได้ตัด ถ้าหลูเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ข้อมโลเราก็ยังติดป้อยตายก้อนก็ใส่ประเดี mm ๋ย hmm. วเรียงเอาไว้เท่าเวลาอันควรของสังขารที่พระเจ้าให้บังคับยูให้บังคับไปนั่นเพราะมนฉันเพื่ อ, อยูดอยอได้ยูเพรได้ฉันฉันเพรได้ปฏิบัติทำรรนางว่าเด้อด้หรือภาษาบาลเพราะมันกินเพื่ อ, อยูอยูเพื่อกิน <c oughs> นี่ภาษาของโลกภาษาของทำภาษาของโลพูดยังไงก็ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเป็นของละเอียดสุขขมคัมภีร์ภาคยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ตัวนาตบุญกุศลนกุศลทุกร้านญาติพี่น้องและเจรยสละมาทํารมทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลจะเราได้ทำเหล่านี้เป็กุศลของคุณพระคุตตเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งเสื่อมสิ่งชั่งลาย ในสากลคโลกอนนี้ต้องมารวมกันจงปกป้องปกปักษรักษาออกจนได้ชมทด้ติพี่น้องตงมีแต่ความสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโลกภัยทางงานจึงใดกันเงินจึงใดปัตตนาสิ่งหนึ่งอันใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงดังความปัตตนาจงทุกประการเธอดพระแท้ดี้อย มีคนต่างชาติมาก <c oughs> And do a m e d i t a t i o n You set up two part, which is food, uh, which is uh, your body, the physical body, and your mind. Uh, the food and shelter and the clothes and the medicine, that for your for your body. But your body is not permanent. This is decay and uh, have aging, illness and die. Usually people neglect to take an MRI, which is the m e d i t a t i o n part y f o r So. Do meditation at least one minutes a day to look after your mind, to calm your mind, to have your mind peaceful. When you do meditation, do not thinking about greed or e a u t y then when you, you concentrate your mind, you have mindfulness, t h a t the true merit, t h a t the true happiness. So, w a e n you t o study more of meditation and practice more, you will uh, find the uh, knowledge. You will lead to the good wisdom, and it will lead to enlightenment at the end. ของกาข้แม่ผมบแล้อืเจ้าไดเอาของห้มานั่มบ่างหรอเจ้าไม่มีนะครับผมอ๋อทูบอกก็เจ้าต้นมากก็เจ้าก็ถามนิมวัดรนิมวนต์นิมนพระจะทำอะไรบ้างเดี๋ยถามบ่ <c เอ็นว่าเจตโตโยมบัดจู่ๆได้เนี่ยมั่นเจตโตโยมบัดตั้งแต่ที่ก็ที่บอกโยมวัดกับเที่ยงเคยแต่ของแลวแม่ล ะ, ละขวงลหลายๆก็เอาซ่อนพอพอเมื่อนี่ตักเตะบาปองคไม่ได้หลายตึกยึดใด้วยเดียวนึ ง, <laughs> งพอโยมหลบก็บอคอนนีพอโไกลเวลาพระเจ้าพระสง์ไปบิณฑบาตก็บบริบหลายคนผู้อยู่วัดก็มี เอาเอิดว่าเต็มหมดจอดเลแต่เฉพาะผู้ไปได้เยูะแต่ผู okay. ้ไปกับคงผู้เยันพระที่บอกก็คือพระกิโลอี้ตลาดเป็นเนตัวผู้เอาถามมากอะไรนี่มโนกรูบาอาจารย์ไปสั่พิธีทั้งนู่นนี่ด้านอยู่ไกลมีคนอยู่วัดก็มีเยอะแยะ ตกับเวตนามนี่จะมกรไดยาอมดเลยบุกเจ้าหวก็บอกนะบอกก็เป็นนี่ว่าถามนี่มนพระทำยังไงบ้างทาอะไรบ้างแต่ว่าอยู่ที่วัดทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไปเขาก็เหตุจะวัดจูวัดกับจูบ้านแจูวัดมันมดกองเตรียมมากลำรับที่ ใส่บาทก็สันเลยที่จะไปยุ่งกับไก่กันมึงเนีฮะมันหอบมาใส่นั่งแยดออกคือบาทเบียกมัดหร อ, อกันว่าเมพันกามีปัญหน้าจะออกเพราะวันทิกินทั้ถงถงหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็บกูค้คนสายผูประเดีดไปก็มีนะ่ ด, ด็กตั้งแต่ตอนตอนจะพ บ, พบศัพพสันเองมันมันก็ได้อยู่ มันทำให้จิตใจแคบแต่พระเจ้าลึกสามารถก่อขบาปเนียที่เรียกจ้าของเรียคือวัดเนั่นแคนรีเป็นหน้าอย่แต่เจ้าของเรียกคือไหนคือไปคือนั่นเลยเรียกว่าซือหลายไปเปนพ่อกขาไมขึ้นเขไม่แต่ก็จะล่งทั้งพุ้นมหาแนวตรีไปสินั่นรีกว่าซือหลายแตพ่อกไมติดตำลุสิ ตัวเจ้ากน่นเมีปัญญาเป็นอุบายพี่มะตัวเจ้ากบอนมีปัญญาวะกันวะ่ามีก็ได้ก็คือจำบอกง่มคุดยินเนแน่ดังไฟเห็นน่มุ้งหนุ่มกะเพียมาเดันเรียกว่ากะปิตับงานมาเห็นนเด็กกะเิดยรเเด็กกบอกว่าตรงบอกตรงตรงมได้ที่ัวใจอุบายก็เรียกว่าเงินังสิ่แหละกะพียเราเด็นี่ปัจจัยนี่คาของพระ มันไ่ได้ว่าตรงไปตรงมาที่พวกเจ้าถึงเป็นสอนในคนนี้เป็นญาต <c oughs> อ๋อพ่อนอาเปณ์โลองา่าเวเนมอนต์ตาปัสสันตาปา ว า, ามาเบิองของน้ำของทาตุนันะีกระดาษกระเดะิดวะวกัปกบป๊กวะาสินว่สิมเอ1โมงจะค่ะวาสิ ม, มาถ ว, วายสังฆทานาเพื่อนสิขอพขอพรขอให้เพื่อนได้อยู่เองจากสามว่าละนเบื่องของน้ำของทาไห้น้ำเขาขุไปตั้งวันไหนเห็นแหมเอาตั้งไว้นอกต้นกับถือออกมาอกอกงพ่อยั ทั้งไขคางของน้ำคุบเบิร์ตไาก